กุฑรสสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะตื่นเช้ามาปฏิบัติกิจส่วนตัวไปฟังธรรมะ ครับพระดุลอภิปุญโญจากวัดปาดอนหายโสอุดรธานีจะ วันเนี้ยค่ะจะมาถึงตอนที่จะถามหนักไปทางด้านของดัตตะนะประการที่ว่า ชาวพุทธเนี่ยควรจะเข้าใจประสงค์อ่าในทำนองเดียวกับที่พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เราเข้าใจไว้เนี่ยคือสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบ นะคุณก็เอาธรรมะมาใช้งานนะเราท่านผู้ฟังตัวคุณโยมติ๋ว นะ, นะ, นะ, <Okay. S 1> นะ, 8 ปฏิบัติแม่ชีสามเณรพระภิกษุ นะอ้าวทําไมอ่ะอ๋อนี่คือออกจากเรือนแล้วนะไม่กินข้าวเย็นนากลผม กำลังสำรองในพวกเรียน รด. ออกคุณไปเป็นกะทหารกำลังสำรองเนี่ยพวกนี้ก็คือทำงานบ้านเมืองทั่วไปแต่แต่ก็คิดอ่านอยากช่วยปกอ่าอยากช่วยบ้านเมืองด้วยอยากช่วยป้องกันประเทศด้วยนั้นก็เป็นทหารกำลังสำรองอย่าง ก็มีเครื่องแบบอย่างนี้นะสงฆ์ที่ นะนั่นคือเราคิดว่ามนุษย์ฝากซึ่งเป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะมนุษย์ฝากศาสนาไว้อะไรศาสนาคือ มัน 24 ชั่วโมงนะต้องไปออกรายการทํานั่นทํานี่คุยข่าวนะค้นคว้าหาข้อมูลทํางานไปก็ก็นั้นก็ส่วนๆแต่เป็นศาสนา ท่านจะปรีดิ์เทียมนะคุณโยมติ๋วเราทั้งหมดเนี่ยสาวกของพระผู้มี หรอพี่ทำอย่างงี้สิน้องทำอย่างงี้สิอาจารย์ทำอย่างว่าพระบวชใหม่ที่วัดป่าดอนไชยโกเหมือนกันมึงเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ถูก พ่อไม่มีได้แล้วเราก็ต้องดูแลด้วยกันนะพระก็ความเคารพหนักแน่นนะระวังเรื่องลาปัจจัย 4 นะระวังเรื่องชื่อแต่จะช่วย อ่าในกรณีถ้าหากว่าเป็นประเด็นที่ออกมาสู่สาธารณะซะแล้วบางๆพระนะเรา นะส่วนที่เป็นลักษณะของคารวะเป็นยังไงนะเราก็ก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ปึ๊บมุมมองเราคือคือถูก เพราะเราบอกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนมั้ยแต่ถ้าเราเป็นบอกโอ๊ยผมผมมีไม่มีเวลานั้นเองก็อาศัยพระนั่นแหละบอกอ้าวอย่าง อันนี้มันมันให้เห็นถึงครับความเสื่อมของพระสัทธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วอย 5 อย่างที่จะเกิดขึ้น บอกคําตอบไว้ให้แล้วด้วยอืมว่าเอ่ออืมก็ยัง ก็ได้ตามที่พระเจ้าประกาศไว้เกี่ยวเรื่องของอาสวะแล้ว ความคิดในทางกามกามราคะก็คือความที่กําหนัดยึดกําหนัดรักใคร่ในกามนะคือความ โดยตัวของท่านเองพอสังเกตดิฉันไม่สรุปเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็แล้วกัน ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยจํากัดอยู่แค่ที่เค้าพูดถึงคือบอกว่าเป็นเรื่องที่จมูกลิ้น 5 อย่างนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยเอ่อแยกเป็นเราต้องทํา นะ 5 เรียกชื่อหนึ่งว่าวัตถุกามนะวัตถุกามก็มัวเมาลุ่ม 5 ในวัตถุกามรถบ้านนาชื่อเสียงเสียงพวกนี้มาทางไหนพวกหูจมูกลิ้น 5 อย่างนี้ 5 มันจะ นั่นแหละคือความอยากอยากในอะไรอยากในกามินะอยากในกามนี่ในใจนะทีนี้บางคนเนี่ยๆแต่ๆนะยังอยู่กับต๊อปเล็กๆอยู่ยัง เรายังไม่มีของนั่นเลยนะแต่ไอ้กามเนี่ยมันยึดได้กันดีมันตึกหนึบเลยสิ่งใช่เลยถูก อย่างเพราะว่าคารวะเนี่ยเป็นผู้เสพกามนะเค้าเรียกพระพุทธเจ้าๆอยู่ยังแต่งหน้าทาปากอยู่นะยังกินข้าวเย็นอยู่ นะก็คือทําอยู่ใน scope อยู่ในกรอบนะ 8 นะก็คือไม่เสพเมถุนนะไม่แต่งหน้าทาปากเอากามออกไปอีกนั้นก็อย่างสามเณรนะ น่ะมีอีกหลายอย่างการขอการพูดคุยการรับประทานอาหารนะการคือคือไม่ผิด แต่ถ้าไม่เช่นนั้นนี่จะมีคนเลิกฟังในการวิทยุที่สอนทางธรรม ว่าไงอืมๆขึ้น ค่อยๆไป <นะคะ S 1> 8 ไปอย่างงี้ชโยสบายใจได้เนี่ยไปทานอาหารๆวันเลยด้วยนี่ 24 ชั่วโมงค่ะนะ แต่อ่ามากก็ไปอธิบายตัวเองก็แล้วกันโอ้โหตลอดเวลาตั้งแต่เสพ ซึ่งพรุ่งนี้